ไร่ดูใจนักหนาเป็นบุญตามาพบเธอเจอที่ไร่ก็ไปนอนเพอแต่มายังเพอจิใจไว้วันทำไงดีจะผีทางลุ้นยอมลงทุนรอทุกวันเธอมองมาสตากรักบชันที่เธอน้ำประมาณเชื่อเชิงอยากจะบอาเล you ทีและทำให้ใจมันปุนปัน เธอเองอายทำตาหวานเป็นสะพานให้เดินข้ามไปทางมันโรยดุดลีบดอกไม้ใจไม่ไหว้ไปล่อยไปเสียเหลี่ยมตายเป็นตายต้องรองให้รู้ร้องลองดูเกอมีลูกทางเจอจังจังจ้อ ง, งมองตาข้างแค่มมองข้างหลังเกือบ ไลายู้ใจนักหนาเป็นบุญตาได้มาพบเธอเจอที่ไรกลับไปนอนเธอถึงมายังเพอจีใจไวหวันนึกไม่ถึงระเทืองเพื่อนฉั้นเรียนกันมาไม่มีวี่แวววันเวลาเ็นมันไปแล้วโถยเถืองเป็นเตาแต่เมื่อไรกอบจะ I love you h ี a t และทำให าตาประสานกันมันจะบ้าดตายเป็นไปน